ชื่อบอกชื่อนะเวลาใครหยิบไปไปเราบอ <c oughs> กชื่อด้วยกาบลงตาฮะก็ผมชาตรีเหล่าวันิวิดครับอ่าตปีเป็นไงเพิ่งมากาบลงตาครั้งแรกนะฮะก็อยากทราบแนวปฏิบัติอะครับออบุญสร้างมาหลายทางก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็ติดอะไรอย่งงหวงลูกหวงเมีย ใจยุ่งแต่กับงานมันเวลาไปทํางานอะไรเนี่ยเราเราเราเอาตัวไปหมดเลยทั้งตัวทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเวลาทํางานเราก็ทุ่มไปทั้งตัวเวลาอยู่กับลูกกับเมียเราก็ทุ่มไปกับลูกกับเมียหมดห่วงลูกห่วงเมียไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นธรรมดามันก็ต้องมีอยู่ถูกต้องแต่ต้องมีเพิ่มมาคือต้องรู้สึกตัวเราขาดความรู้สึกตัวเราก็คือ มันมีแต่งานงานงานงานงานงานงานมีแต่ลูกกัมีจริงอย่างอะไรเนี้ยแต่บุญวัสนธรรมีสร้างทางมาแล้วเนี่ยทางแห่งความพ้นทุกข์มันสร้างมาแล้วแต่เราเนี่ยมันขาดความรู้สึกตัวตัวเดียวเราต้องเพิ่มเพิ่มความรู้สึกตัวต้องปฏิบัติเพิ่มในไงของการรู้สึกตัวใช่ไหมครับเพิ่มยังไงของการรู้สึกตัวดูใจอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเนี่ยอออย่างเนี้ยนะอย่างเนี้ยดย่างนี้นะครับถ้าเมื่อกี้คืออะไรนะชาตรีครับเมอชาตรี ถ้าโยมชาติเนี่ยมาตามองลงตาใช่ไหมครับแล้วก็หูก็ฟังคนลงตาพูดว่าอะไรเนี่ยครับถ้าเราไม่รู้ว่าปกติวิญญาณขันน่ะมันต้องรู้ที่มันรุ้ประตูตาใช่ไหมทุกคนก็รู้หมดอหะคนไทยเราเนี่ยเกือบรู้หมดเลยประตูมี6ประตูคือประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจ6ประตูใช่ไหมคนตัวใหญ่น่รู้หมดแหะน้ําตาธรรมดากันแหละสบายสบายตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ประตูเนี่ยการรับรู้นะหประตู แต่ถ้าเราเนี่ยรู้แต่ประตูตาก็ทุ่มไปที่ตาร้อยเปอร์เซ็นหูก็ประตูหู100้อยเปร์เซ็นแต่ประตูใจไม่รู้ไงมันหกมันขาดไปอีกอันหนึ่งมันขาดประตูใจไปอีกคนมันหกประตูธรมรมชาติเราหกประตูตัวนี้เวลาตามมองเห็นลุงตาหูก็ได้ยินเราต้องมีสติสติคือตัวสังเกตเราสังเกตว่าภายในใจเราเนี่ยมันคิดแข่งกับลุงตาไว้ยังไง เออเมันคิดแข่งยังไงคิดแข่งยังไงนี่คือปล่อยมันอิสระเลยนะคิดดีคิดชั่วคิดวิพากษ์วิจารคิดยังไงแต่ขอให้รู้อย่างเดียวถ้าไม่รู้เดี๋ยวอาจจะเป็นบาปกรรมไปวิพากษ์วิจารจริงจริงแต่ต้องให้รู้ตัวไว้ว่ามันคิดอะไรแต่ถ้ารู้ตัวไวแต่ตอนมันคิดอกุศลอะไรก็ตามอ่ะมันไม่เป็นบาปแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราปล่อยมันคิดจริงๆอ่ะเป็นบาปกรรมได้ดังนั้นเราจึงต้องรู้ตัวไ ว, ว้ว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่วิพากษ์วิจาร์วิเคราะห์วิจารวิจัยได้แต่ต้องรูู้ตัวอย่นะ แต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเราไปวิาพากษ์วิจารณ์จริงเนี่ยอันนี้เป็นบาป ก, กรรมจริงจริงอันนี้เราก็รู้ตัวไว้ว่ามันคิดอะไรในใจแข่งเราก็แค่สัตว์ตะวันรู้สัตว์ตะวัรู้มันอย่าไปแทรกแซงอย่าไปกดข่มไม่ให้มันคิดอย่าไปใหญ่ลงไม่กลับมันได้แต่แค่รู้มันเฉยเฉยแล้วก็ตากับฟังไปหูก็เข้าใจแต่ใจข้างในก็เห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามันพูดแข่งพูดอย่างหุ้นพูดอย่างนี้โอ้ใช่ใช่ใช่ใชใชโอ้อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้พูดไม่เหมือนตรงนั้นเลยเอ๊ะทำไมเราไม่เข้าใจเลยเอ๊ะ อออ่าเอออ่าี่อย่างเงี้ยเอ้ยโหดีดีดีดีดีดีมากเลยโอ้ไม่ดีเลยเอ้ยไม่รู้เรื่องเลยเอ้อโอ้โหเขาเนี้รู้เรื่องมากเลยนี้จะมันจะพูดอย่างเงี้ยมันจะทุกอย่างที่เราเนี่ยไปเห็นอะไรเนี่ยประตูใจมันต้องพูดไปได้ยินอะไรอะประตูใจมันต้องพูดอยู่ในใจไปได้กินอะไรไปริ้มรถอะไรไปสัมผัสอะไรเนี่ยหรือว่าแม้แต่เราไปรู้อาการของใจเช่น เวทนารู้เวทนาหรือรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเจนโป่งโล่งเบาสบายว่างว่างใจเป็นสุขไม่โป่งไม่โล่งไม่เบ า, ไ ม, เบาไม่สบายใจไม่เป็นสุขไปรู้เข้านะขณะไปรู้อาการของใจมันยังคิดเลยมันยังคิดปรุงแต่งเลยอตัวเนี้ยเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เห็นตัวเนี้ยขาดสติหลงหลงหลงเราต้องมีสติเพิ่มตัวเดียวเพราะว่าทางมันมีอยู่แล้วไงทางทางแห่งมระพทธนิพพานสร้างมาแล้วแต่เพียงว่าเราขาดสติตัวเดียวถ้าเาขาดสติมันไปไม่ได้ ตัวที่จะไปได้คือตัวสติตัวเดียวเราจะต้องสังเกตไว้เห็นไว้ตัวสติคือตัวสังเกตไม่ไปคุมมันไม่ได้คุมอ่ะคือตัวสังเกตเฉยๆให้เห็นอย่างเดียว Nepal, ไม่ได้ค <Euros S 1> <eri ôi? S 2> ุมนะแล้วเราบังคับมันไม่ได้ด้วยใช่ไมครับุดตั้ง่ํามบังคับมันไม่ได้เพราะว่าพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่ใช่ตัวเราเร า, เราไปไปบังคั บ, คบมันไม่ได้เราไปควบคุมมันไม่ได้แต่เราสังเกตมันไว้สังเกตมันไว้ได้แล้วเราก็เพื่ออะไรสังเกตเพื่อว่าเราจะได้ไม่หลงไกับมัน ถึงแม้จะคิดอกุศลเราก็ไม่ไปบังคับมันถูกต้องถูกต้องเพราะว่าองค์ตาเคยเ <c> ต <oughs> ศนไว้แท็กหนึ่งคือว่าไอตัวที่มันคิดแข่งได้พูดได้อยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยเป็นเหมือนพวกสิบแปดมงกุฎพวกสิบแปดมงกุฎเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปควบคุมพวกสิแปดมงกุฎมันมีอยู่เต็ม ด, า ด, ด่านอื่นในโลกเนี้ยพวกสิแปดมงกุฎเนี่ยเราเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยไมปลุใรรกใครต่อใครบ้างนะสิบแปดมงกุฎมันเยอะแยะหมดเลยแต่ถ้าเรารู้ตัวอยู่เนี่ยอมันนพูดสะทานอย่างนี้อ นี่มันถ้าจะเราต้องระวังตัวมัท้าทายสิบแปดมังกรเรารู้ตัวมาอยู่แต่เราไม่มีสิทธิ์จะไปควบคุมเขาให้เขามาอยู่เป็นลูกน้องเราไปคอนโทรลเราเราไม่มีสิทธิ์ว่าพวกสิบแปดมางกรตายหมดเลยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าพวกความคิดเรานั้นนะฆ่าไม่ได้เพราะอะไรเราไม่มีสิทธิ์ไปมีอำนาจไปฆ่า่าเขาได้เอแล้วเราก็ไม่มีอำนาจไปควบคุมก็ได้เราไม่มีสิทธิ์เขาไปแทรกแซงก็ได้เราทําได้ยังไงอะเจอพวกสิบแปดมังกรที่มันมาต้มๆทําได้ยังไง เราก็รู้แเราเราก็หลงเออเราก็รู้เท่าท่านมันแล้วเราก็จะไปไปกับมันจะไปหลงกับมันจะไปร่วมกินร่วมเสพร่วมนอนกับมันแคนั้นแนะทำแต่แค่นั้นตามใจจิตด้วยไหมฮะหลวถ้าเราเราไม่ไปบังคับมันมันจะตามใจจิตว่ามันจะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยเอยมันไไปหรอกถ้าเราไม่ไปกับมันอ่ะมันจะคิดปรุงแต่งไงมาทำอะไรเราไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปทํากับคนอื่นบ่อยมันแต่มันไม่ทํากับเราแต่มันไม่ทาคนอื่นได้ละเพราะมันไม่มีตัวตนมันไปไม่ได้แต่ถ้ามันแบบสุดท้ายมันหลอกเราไม่ได้สักทีมันหลอกได้ได้คนเดียว แต่ถ้ามันหลอกเราได้เราจะเอาเราไปหลอกคนอื่นแต่ถ้ามันหลอกเราไม่ได้มันจะเอาเราไปหลอกคนอื่นไม่ได้ถ้ามันหลอกเราได้เราโมโหเราก็เอาโมโหไปคนอื่นได้ถ้าเราเดี๋ยวมันหลอกเราได้เรามีอารมณ์ก่อนแล้วเราก็อารมณ์นั้น่ะไปหลอกคนอื่นได้ไปซัดคนอื่นได้มันหลอกเราได้ก่อนนะถ้ามันหลอกเราไม่ได้จบแค่นั้นนหละจบแค่เราจะตรงนี้สาคัญนะ18มังกุรในใจเราเนี่ยมันหลอกเราไม่ได้มันจบแค่เราได้แต่ เราจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แกใครและมันก็ไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้แก่เราดังนั้นน่ยพอจบจบที่เราเนี่ยคนอื่นก็ไม่ไม่ไม่มีความใครเดือดร้อนกับเราเลยเพราะว่ามาหลอกเราไม่ได้เราเลยอ่ะไปทําร้ายใครไม่ได้ไปรักไปชังไปเกลียดไปโกรธไปอาการแก้สปิบาร์ดใครไม่ได้เลยมันก็เรียกว่าจบที่เราพอจบที่เราคนอื่นก็เลยจบไปด้วยมันคือจบจากความเดือดร้อนจากเรา ถ้าเรารู้ตัวนานๆเข้ามันก็จะหยุดไปเองใช่ไหมฮานตุตะเออบทสุดท้ายมันก็ขี้เกียจหลอกเราว่าหลอกเราไม่เด้ทันทีอันนี้เบื่อมากเลยไ <c oughs> <c oughs> อันนี้เบื่อมากเลยหลอกไม่ได้ทันทีมันก็เบื่อไปเองเอเอข้าใจไหมเข้าใจเออข้าใจง่ายวันนี้แสดงว่า <c oughs> เคยสร้างทางกรบอกแล้วคนที่เคยสร้างทางมาเนี่ยพระควนิพานเนี่ยมันหลอกมันพูดอะไรก็เข้าใจง่ายพูดแงโนู้นแงนี้ยกตัวอย่างให้ เข้าใจนะวันนี้ถ้าเราเนี่ยไม่รู้ที่ไม่รู้เนี่ยไม่สังเกตไอ้ตัวสติที่สังเกตประตูใจเราเ่ยมันคิดแข่งอะไรเราปล่อยให้สิบแดมังกรหลอกเราหมดตัวเลยเพราะบางทีจะคิดก็จะไปกดมันไม่คิดไม่ให้เพราะวันนียผิดเลยผิดเราไม่มีอำนาจเลอครับเข้าใจไหมอ่ามีอะไรซักอีกตอนนี้ยังยังไม่มีเออตอนนี้เราไปทํางานนะเราทํางานเราก็สังเกตมีตัวสังเกตไว้เราก็จะไม่เราสังเกตพวกสิแดมังกรไว้ตลอดเวลาในใจเราเนี่ยไอ้ตัวคิดแข่งเนี่ย มันทำงานแล้วมันแคิดนินคิดนี่คิตาคิดนนคิดนี่ได้ยินหลวงตาอกคิดนนคิดนี่คิดนี่คิดนี่มีความจารย์มันคิดยังไงก็ตามคิดีคิดเจ้าคิดบบาปป่อยมันชงมันมันไม่เป็นบาปเป็นกรรมให้รู้จักว่าเราคิดอะไรอยู่มันเป็นโพธปัมงกรไอ้พธิปัตมังกรมันก็เป็นบาปเป็นกรรมไปแต่เราไม่เป็นบาปเป็นกรรมไอ้จิตที่มันคิดแต่ถ้ามันเอาเราไปผสมลงกับมันเราเป็นบาปเป็นกรรมเพราะเราไปร่วมมือกับมันเข้าใจไหมเข้าใจยกตัวอย่างให้เมื่ก่อนเนี่ย หลวงตาก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันหลวงตามีพ่อแม่ครู อ, อาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงปู่ทาจารุตโมเป็นพระอรหันต์อ า, ายุ98ปี98นะเป็นที่ยอมรับของในพระเยงรงทั้งหมดแล้วก็คารวะนับถือท่านมากก็หลวงตาก็นวดท่านอยู่นวดนวดนว ด, น ว, ดวันหนึ่งก็เราก็จิตของพาาาระอรหันต์เป็นยังไงเดี๋ยวแอบดูจิตหลวงปู่หน่อยวันนี้ <laughs> <laughs> แต่เราเรื่อใจขอเข้ามากอ่อน ขอเข้ามาเราก็กลัว บ, บาปกรรมเหมือนกันเนี่แล้วก็ขอเข้ามาว่าวันนี้จะดูจิตหลวงปู่พราะแม่ครูอาจารย์เราสัหน่อยดิเป็นยังไงนะแต่เราก็ยอมรับว่าท่านเป็นลาหน์แต่เราอยากจะรู้ว่าจิตอาหน์นี่ปเป็นยังไงไม่ใช่ว่าไปตรวจสอบท่านว่าท่านเป็นลาหรือเปล่าแต่ยอมรับว่าท่านเป็นลาหน์อยากจะรู้ว่าจิตอาหน์ปเป็นยังไงก็เลยเข้าไปการาบกราบเสร็จแล้วก็อธิษฐานว่าหลวงปู่วะหลวงปู่ช่วยช่วยหน่อยอะผมจะขอญาติดูจิตหลวงปู่หน่อยว่าจิตลาหน์เป็นยังไงแอบดู กรนวดไปด้วยเลวคิดดูินวดตั้งสองเกือบสองชั่วโมงนวดท่านเกือบสองชั่วโมงมือก็นวดทั้งตัวนะนวดไปนวดไปทีก็ันนวดทั้งตัวไปจับนมท่านมานมเขียวๆอะไรนิ่มๆไอะไรเงี้ยแล้วก็นึกเออเอ้นิ่มๆไว้อะไรเงะตามิสัยเราไงมือกระสนองเีุ้กชิชุกชชไปจับนวดก็นวดไปทั้งตัวไปโดนมันนมนิ่มๆนีอะไรคนแก่มันเด็กไนมมันเด็กอะไรเงี้ยเราก็นึกในใจะเฮ้ยคิดอะไรบ้าๆเงี้ยพันรู้ท นี่ขนาดเจอมาแล้วกับตัวไม่ว่าคิดทางกายขนาดไหนทุกคิดท่านรู้ทุกคําเลยไม่ว่าจะคิดยังไงอ่ะรู้ทุกคิดรู้ทุกคิดเลยเลยยิ่งก้มือไปโดนตัวท่านอย่างเงี้ยโอ้ยยิ่งรู้ทุกคิดมันคิดอะไรยังไงก็แบบนี้ท่านรู้ทุกคิดตั้งแตเราก็นึกว่าอยากว่าตัวเองตลอดเวลาจะไปคิดจะไปคิดแต่จิตเจ้ากรรมมันไม่ฟังเราเนี่ยสิบแปดโอ้ิแดมงกลมันไม่ฟังเราขนาดว่ามันบาปนะมันบาปนะนี่เป็นพระอรหันต์นะบาปนะเองอย่าคิดแบบเนี้ยมันบอกฟังมันไม่ฟังหรอก ไม่ฟังบอกว่าอย่าคิดมันยังคิดใหญ่เลยตอนนี้มันยังคิดใหญ่เราบอกมันยังคิดมันยังคิดใหญ่เลยตอนนี้ไม่มันหน้าโมโหแต่เราเราก็ยิบมันยังคิดยังคิดอยู่นั่นแหละตอนนี้พอพอแล้วไหมไม่เห็นอะไรเลยก็เลยกมกราบขอกข้มาท่านโดนท่านตวาดไอ้ที่คิดอยู่ตั้งนานเนี่ยมันรู้ตัวอยู่เป็นอย่างนันจะเป็นบาปกรรมอะไรอะเซ่อไปเลยแต่เน่ากอูนั้นบาปแรงมากเลยเราอ่อกราบ ขอขมาท่านบอกว่าไอ้ทคิดอยู่นั่นน่ะไม่รู้ตัวอยู่ไหมเหรอแล้วจะเป็นบาปอะไรอ่ ะ, ะอ้าวไอ้ต่อให้คิดไม่ดีนะแต่มีสติรู้ตัวอยู่ไม่เป็นบาปแต่ไอ้ตอนที่ขอเข้ามาอยู่เนี่ยไม่รู้ตัวเลยอันนี้ไม่มีสติเลยเนนี้เป็นบาปกรรมหนักแล้วเนี่ย <S <S โอ้ย ห, ห, ห, หนักไปเลยเราหายคอไปเลยอุยย้ยทำไมเป็นแบบนี้ฮะไอ้ว่าดี่มันดีนะเนี่ยขณาอุตสา ก, การาบขอเข้ามาเนี่ยแต่ลืมตัวเลยลืมสติลือกราบจริงๆเลยกายวาจาใจไม่มีสติรู้ตัวเลยไอ้นี่ไม่เป็นกรรมเอาหูขาดสติเป็นกรรม มีสติขนาดคิดไม่ดียังไม่มีกรรมโอ้โหนี่ได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยเนี่ยได้มาสอนลูกติษทุกวันเนี่ยเข้าใจไหมล่ะเออเจ็ตมันไม่ดีมัเอาุนศร์ไงเรามีสติอยู่ไม่เป็นบาปกรรำอะไรหรอกแต่ไม่จะผสมรลมาแล้วรวมเป็นร่วมกรรมเลยนะเนี่ยไม่บาปกำรกร็เข้าใจว่าเป็นบาปมามตลอ ด, ดนะวะน้วงตาเข้าใจไหมไม่ใช่เอเ อ, อเดี๋ยวผสมโล ม, มากเลย นมาสการขาหลวงตาก็มากรบหลวงตาที่วัดทําสับมื้นมาตอนต้นปีตอนนั้นก็อาจารย์ก็ให้กันบ้านให้พิจารณามรณนานุสตินะคะก็ผ่านมาเกือบกว่าครึ่งปีก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าหูงสันชื่อขอโทษค่ะชื่อวีระวันช่างเพชรค่ะก็ก็ยังพิจารณาไม่ค่อยเยอะมากก็ไปปฏิบัติธรรมที่ ยูทีทํมเหมือนเดิมกับพระอาจารย์เอ้กับอาจารย์วอนัทด้วยนะคะก็คือคิดว่าปัญหาปัจจุบันตัวเองคงที่ตัวเองเป็นคนพุ่งซ่านมากอาจายวอานัตก็เลยแนะนำให้พิจารณาพุทโธไปก่อนก็ก็คือก็รู้สึกว่าจริงๆก็ได้กันบ้านนี้มาหปีเจ็ดปีแล้วค่ะก็ไม่ค่อยจะเชื่อละมังคะาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเหมือนกับต่อต้านคิดว่าไม่น่าจะใช่ เราน่าจะได้กันบ้านที่ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในที่สุดมาถึงจุดที <and> ่ว่าตัวเองก็แพ้ตัวเองแล้วนะคะก็เลยมาพิจารณาพุทโธมากขึ้นแต่ก็คงแต่คิดว่าตัวเองคงจะพื้นฐานคงจะแย่มากอยู่ก็คือก็ก็ยอมรับตัวเองไปแล้วก็พุทโธเท่าที่ตัวเองรู้หลุดไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนก็จะโทษตัวเองเอ้ยเนี่ยทั้งวันเลยไม่ได้พุทโธก็มารู้พุทโธตอนกลับบ้านอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อะไรตัดสินตัวเองบ่อย ก็ตอนนี้มาก็เท่าที่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แต่ก็ยังติดสุกเยอะมากนะคะพอถึงวันเสาร์วอาทิตย์ก็ให้รางวัลตัวเองก็จะแช่เหมือเผล่เพลินเยอะก็พอวันจันทร์ก็กลับมาทํางานก็พุทโธใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าคงได้แค่บอกกันบ้างเ่ยว่าว่าก็ก็พยายามมีสติรู้ กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆไปทีละสเตปอะคะ่ะคงไม่ไปหวังมากอะไรแล้วเอาปัจจุบันปัจจุบันก็พอ <c oughs> คาพูดเราที่บอกว่ามันไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเดี๋ยวก็บอกว่ามันไม่จะหวังอะไรเลยหรือเอาหวังแค่นี้พอแล้วอะไรเงี้ยเราทิ้งพวกนี้ไป ห, หมดได้ไหมเนะ่ ผู้ที่หวังเนี่ยที่รู้สึกว่าเราจะไปได้อะไรแล้วรู้สึกว่าถ้าเราร yes> ู้สึกว่าเราจะไปได้อะไรมันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเรายังไม่ได้อะไรเพราะอะไรเพราะเพราะเราไปตั้งความหวังไว้ว่าเราจะหวังว่าจะได้อะไรมาเลยทุกขณะปัจจุบันเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราไม่หวังว่าเราจะไปได้อะไรแล้วความที่รู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรสักทีไม่ได้อะไรสักทีมันจะไม่มีเพราะเราไปตั้งไว้ก่อนว่าเราจะต้องได้อะไร มาปฏิบัติเราจะต้องได้อะไรเพราะอย่างเงี้ยมันกักับแค้นอยู่แน่แ น, เน่เราปฏิบัติตั้งนามนมาหลายปีแล้วทำไมไม่เห็นได้อะไรก็บอกไปตั้งว่าเราจะต้องได้อะไรและที่เราจะไปตั้านใดล่ะมันเป็นกิเลสตัณหามันเป็นอวิชชาแล้วทางอย่างมาผลนิพพานมันคือสิ้นอวิชชาสิ้นกิเลสตัณหาเรามาเดินทางตกกันข้ามอะทางพนิพพานไปทางสมมติทางนิพพานไปทางทิศเหนือเราเดินไปทางทิศใต้สมมติ หือทางปฏิพานไปทางทิศใต้เดินทางไปจากทิศเหนือมนเปคนละทางครับเป็นคนละทิศเพราะอะไรทางปฏิพันคือมันสิ ada, ้นผู้จะเอาสิ้นผู้จะเอาสิ้นผู้จะได้สิ้นความรู้สึกในใจว่าเราเนี่ยจะไปเอาอะไรเราจะไปได้อะไรนี่ถ้าเราไม่หวังอะไรอ่ะมันก็ไม่รู้สึกว่าอทามาหลายปีมันทําไมไม่ได้ตะทีตะบัมันไม่ได้ตะทีไอ้นี่มันเดินทางตรงข้ามปฏิพานธ์ปฏิพานคือมันเนี่ยจกระตั้งในใจไม่รู้สึกว่าจะไปเอาอะไรจะไปได้อะไรไปเป็นอะไร อันนั่นแหละก็สิ่พ้นทุกไปถ้าังมีความรู้จะไปเอาอะไรจะได้เลยไม่มีทางพ้นทุกแล้วแม้แต่จะไปเอาพนิพพานเน่ยทุกตายเลยทุกอยู่นั่นแนะโอ้เครียดมากเลยปุ๊จะเอานิพพานเอานิพพานเนี่ยเครียดมากเลยตาโปนเลยมาถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ไล่กลับบ้านเลยไปไปไม่สอนแล้วอูถ้าอ่าไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์เราเราเห็นมาที่สอนให้ผมเป๊ะเป็นโสดาบันเลยไปกลับบ้านเลย <S <S <laughs> จะเอาโสดาบานกลับบ้านเลยเดี๋ยวเป็นบ้า <laughs> มาถึงจะเอาเลยเนี่ยโอ้ยมันกิเลสมากเลยกิเลสตัณหามันมาเกาะมาเต็ไมไปหมดเลยหัวใจอะมาช่วยสอนให้เป็นลุโสดาบัานหน่อยกับบ้านเลยกับบ้ากับบ้ากับบ้าเดี๋ยวจะบ้าก่อนมันเนี่ยไม่ต้องไปเราสร้างกรรมวิธีโอ้ยหลายสารพัดหลายแบบหลายรูปแบบความจริงอะง่ายๆเลยอ่านใจตัวเองาขาดเนี่ยทิ้งถ้าไม่เอาอะไรมันไม่หวังอะไรมันก็ไม่ทุกข์ เรไปเอาไปหวังเข้ามัมมนก็เลยผิดหวังอยู่แล้วน่ยไม่สมหวังก็ีหลายปีแล้วทไมหนูไม่ไม่ได้ทีไม่ได้ทีไม่ได้ทีมันกลิ่นความรู้สึกว่าจะไปเอาอะไรไปได้อะไรเนี่ยแล้วจะทุกข์อะไรในปัจจุบันเน่ะมันก็พอเราไม่ไปหวังว่าจะได้มันก็เลยไม่มันก็เลยไม่ทุกข์เลยเพราะคาสอนพระเจ้าคือไอ้ที่จะไปเอาจะไปได้น่มันเลยทุกข์ไมเอาไม่ได้มันก็ไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ในปัจจุบันน่อยู่ปัจจุบันมันเกิดขึ้นอะไรก็นูต้องตันเร oui? ื่อยสิบแมงกในใจเราอะแล้วไม มันก็หลอกเราไม่ได้แล้วก็อยู่อยู่ในปัจจุบันแล้วก็อยู่อย่างปกติเนี่ยแต่คอยรู้เต่าทานในที่แปดมังกรจิตใจเราเนี่ยมันคอยต้มเราอยู่ด้วยเรารู้เติมทานมันไปแล้วมัน ไ, ไม่หลอกเราได้เราก็ไม่ทุกข์กับมันแต่พอเราเริ่มไปอยากได้อะไรไปเอาอะไรไม่ได้อยากได้ทิพานทุกข์อยู่นั่นแหละหลายปีทำไมยังไม่รู้เติมทานยังปฏิบัติไม่ไปอย่างไอยังไงก็ทุกทุกทุกทุกยิ่งเียิย่งทุกยิ่งเกียรไม่ใช่ว่าเราก็ใจผิดเรากำลังเดินทางไปสู่ความทุกข์คือจะเอาจะเอาจจะะเเอออาาาย่่ง้มไได เราเห็นตรงนี้แน่แค่นี้แน่ในใจเราอแค่นั้นเราก็ไม่ทุกข์แล้วแล้วก็อยู่อย่างปัจจุบันอย่างพูดที่ไม่ทุกข์ก็แค่นั้นแน่เห็นได้ไมามพวกต่างประเทศมาฝรั่งพวกอะไรมาหาเราถามข้ อ, ขอแรกเลยบอกว่าอาจารย์ถ้าผมปฏิบัติอย่างอาจารย์เนี่ยผมจะได้อะไรืไไอไม่ได้อะไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะฝรั่งเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาทาอะไรเขาต้องประเมินผลก่อนใช่ไหมพอเขาจะลงทุนอะไรเขาจะที่จะทําอะไร เขาทำแล้วมันจะได้สิ่งที่ตอบแทนออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอุปสงค์อุปทานอะไรมั้งคือทำไปแล้วมันจะได้สิ่งตอบแทนมาคุ้มค่ากันไหมือจะลงมือทำถ้าผมมาปฏิบัติกาจารย์แล้วผมจะได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยบางคนเออไม่ได้อะไรเลยแล้วก็รู้สึกเสียใจวาปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเลย พอตอนจะหันหลังกลับเราบอกว่าไอ้ที่ไม่ได้อะไรนั่นแหละคือรางวัลอันสูงสุดเฮ<ะ>้ยนั่นหลันกลับมาบันที่ตกใจเลยช็อตเดียวนั่นแหละไอ้ที่มที่แรกบอกว่าไม่ได้เลยเสียใจปฏิบัติตั้งนานไม่ได้อะไรเลยคิดไอ้ที่คุณี้จะได้รางวัลไม่ได้รางวัลอะไรเลยนึกเียใจหันหลังกลับเลยแล้วก็ เราก็บอกว่าไอ้ที่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยที่รู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนั่นเนี่ยคือรางวัล น, นั้นยิ่งใหญ่ที่สูงที่สุดค่ะก็ตอนนี้ก็คือคิดว่าตัวเองก็ควรจเจริญสติให้มากขึ้นนะคะเพราะทุกทีจะหลงเยอะก็ตอนนี้ก็คือก็อืมก็จเจริญสติไปเรื่อยๆะคะ่ะเดี๋ยวก่อ น, นขอถามคำ เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปนี้จะเจริญสติให้มากขึ้นจ ะ, จะเจริญสติไปเพื่ออะไรที่จะเจริญกลับไปจะเจริญสติมากขึ้นเพื่อคืออันนี้เพื่อให้ทุกน้อยลงเป็นทุกนับแต่นี้เลยออืจะกลับไปเจริญสติให้ทุกมันน้อยลงเริ่มเป็นทุกตั้งแต่นี้เลย เพราะเพระว่าตั้งตั้งเป้าเอาไว้แล้วถูกต้องถ้าเราตั้งเป้าอะไรไว้ทุกทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าเราจะไปเอาเป้าหมายนั้นออืแล้วเราก็เริ่มทุกตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยยังไงต่อคะ ก็ยังไงนะยังไงก็คงต้องทำไปเรื่อยๆล่ะค่ะก็คงคิดยังไงก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะไปเอาอะไรหาอะไรนะคะ <c oughs> ห า, าแค่คิดว่าถ้าไม่ทำมันก็ยิ่งแย่ลงมากกว่าแล้วมั้งคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีใครแย่ ก็ตัวเองแย่และค่ะนายตัวเองอยู่ไหนก็อยู่ไหยอะไรคะไหยแย่เพเราไม่ทําแล้วก็โดนร่างกายแย่เหรอกิเลกิเลส เ, เราไปกินโอ้ยหลบจมไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วอะค่ะตอนในทุกปัจจุบลลันเราแก่รู้ตัวทันพวกที่แปดจิตมันเป็นทีนแปดมงกรพุงแดงหลอก ล, อก ล, อกลวงเราเราแก่รู้ตัวทันมันมันก็ทอะไร เราไม่ได้แล้วมันก็หลออต้มเราไม่ได้แล้วแคเนั้นเอแล้วเราจะไปเอา อ, อะไรเพียแต่ทุกขนาปัจจุบนนะันเ่ะเรารู้ท่อทันมันไปเลยทุกขนาปัจจุบันะไม่ว่าเราจะต้องไปเดี๋ยวเรารู้ท่อทันหมดแล้วเราจะไปได้อะไรไม่มีหรอกเพราะฉะนั <c oughs> ้นเรารู้ต่าทัน ท, ที่แปมกุฎไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปได้อะไรเราตัวอะไรกันไปกิเ <c oughs> ลสแล้วตัวต้มแล้วเราโดนต้มหมดตัวแล้วนะ ก็หมบอยู่กัอาจาย์อาจจะดูเหมือนอย่างนี้แหละค่ะแต่พอเสาร์อาทิตย์ปุ๊บก็จะเริ่มเหลวเป๋อแล้วค่ะก็จะแบบโอ้ยให้รำวนตัวเองหน่อ้ไงแล้วเราเข้าใจลำวนเป็นเหลวเป๋อได้ไงทั่วไปก็สิบแปดมงกุฎมักจะสําเร็จนะคะก็ทั่วไปทั่วไปก็โดนแบบเออเดี๋ยวอีกนิดนึงนะเราไปพักผ่อนให้หย่อนใจไม่ต้องมีสติก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเราก็จะไปไกลทุกทีอะค่ะก็จะเป็นอย่างนี้วัฏจักรวนเวียน ไปเรื่อยๆค่ะรู้หมดแล้วทุกอย่างแล้วบอกว่ารู้เนี่ยเนี่ยคกนี้สิบแปดมงกุฎอาจารย์ก็บอกแล้วเนี่ยจิตมันเป็นสิแปดมงกุฎมันคอยต้มตลอดเวลาเหมือนอาจารย์เคยบอกว่าในพวกเนี่ยคนนี้ที่จะมาหาเราเนี่ยมันเป็นสิบแปดมงกุฎนะแต่เราก็ไม่เชื่ออาจารย์เราก็ไปเชื่อสิบแปดมงกุฎอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะทํำยังไตงตรงเนี้ยมันก็จบเอ๋มันก็หลอกต้มทั้งวันนะ่ะอืม เราไม่ใช่ไปทาอะไรละเพียงแต่ทุกขณะปัจจุบันเรารู้ตัวทีปดมงกุฎมันหลอกเราไม่ได้แต่เราต้องอยู่กับมันจนกว่าจะตายพอตายแล้วมันก็ตายไปแต่เราไม่ตายเป็นนามาต่คือไม่ถูกหลอกจะเปน็นไม่ถูกหลอกไปตลอด ก, การพอที่แปดมงกุฎมันตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องมาคอยรู้ตัวทนันมันอีกแต่ก็เราจะไม่ตายอ่ะต้องรู้ตัวทนันมันเรื่อยเพราะเราไปเอาปืนไปฆ่ามันไม่ได้ตอ่อให้เรารู้ตัวที่มงกุฎเอปืนไปฆ่ามันได้เราก็ติดกุ้ติดตาราง ชีวิตในปัจจุบันก็มีแค่นี้เนี่ทุกข์ทุกขนาปัจจุบันรู้ต่อทานสิดมงกุฎในจิตที่ปุงแต่งนั้มันคอยหลอกลวงเราแต่ถ้ารู้เรารู้ต่อทานแล้วโปรแปดมงกุฎนั้นเราอยู่กับบันไดในโลกนี้มันก็หลอกต้มเราไม่ได้วันานานเขามาหลอกต้มเราไมปแต่ทันทีมันก็หมดปัญญาไปมันก็เลิกลาไปเองเนี่ยเราก็อยู่สุขสบายอยู่ด้วยกันได้อย่างสุขสบายเพราะมันไม่ต้มเราได้ต่อไปแล้วเดี๋ยวท่านาก็ตายไปไอย่างก็จบลงเหมือนเมื่อวานเนี้เราไป รอผู้การท่านพาเราไปเยี่ยมพ่อท่านระหว่าเดินทางมาพอเขารู้ว่าเราจะไปเยี่ยมจะตายได้ได้ตนนั้งแต่กลางคืนเราบอกว่าอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวจะไปเตอนนี้เนี่ยเดินการทางท่าจะรอไม่ได้แล้วเดี๋ยวโทรศัพท์ตาตามแล้วดวนดวนก็ต้องแวะทำธุระหน่อยมันจะไปขนาดนี้เลยพอรู้ว่าจะไปจะไปให้ได้จะไปถึงไปจนได้น่ะมันจนไปรอก่อนรอก่อน แต่ไปถึงอ๋อแอบทิศสุขสุวนให้เจ้ากรรมในเวรทั้งตัวเขาแอให้เออเขาจะากลับไปบ้านเมคืนเนี่ยไม่ทานแล้ววันนี้ก็ตายแล้วตายจริงมันจะเห็นเห็นลามาบอกตายแล้วไปแผ่แผ่แผ่เมตตาให้เงี้ยแรกกับลูกก็ร้องให้กันใหญ่เราก็ร้องให้ทำไมยสังขารเป็นอยู่ดูที่นี่ทุกเมื่อนี่เนี่ยโอ้ยเนี่ยโดนใสยางโดนอะไรเต็มไปหมดอ่ะเนี่ยสังขารเนี่ยเป็นทุกข์มากเลย แต่ตายแล้วสบายกว่านี้เพราตายแล้วสังขารไม่ทุกข์กับสังขารแต่ใจไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์เลยแต่ถ้าสังขารเป็นทุกข์นี้แต่ใจมันทุกข์กว่าสังขารเองเพราะว่าใจยังเป็นทุกข์อยู่แต่กายก็เป็นทุกข์พอกายมันแตกดับแล้วเนี่ยแต่ใจเป็นทุกข์หนักกว่าสังขารเีงแต่ถ้าตอนนี้ใจไม่ทุกข์สังขารมันทุกข์มากเลยปล่อยมันดับไปซะโพ้ไม่ต้องมาเจ็บปวดทรมานพอสังขารดับแล้วความทุกข์ก็หมดไปเพราะใจไม่ทุกข์เราปฏิบัติก็เพื่อแค่นี้เนี่ย นั่นถ้าใจไม่ทุกข์แล้วสังขารเนี่ยดีทีสุดเดี๋ยวมันต้องทรมานมากเลยเนี่ยต้องเจาะส่ยางใส่เยิ้มโอ้ทรมานนอนแย่ไปหมดเนี่ยเดี๋ยวโดนรักษาโดนผ่าตัดโดนนู่นโดนนี่โดนเจาะนู่นเจาะนี่โอ้ยเต็มเหมือนเลยทุกคนต้องโดนแบบนี้หมดถ้าใจมันไม่ทุกข์แล้วก็ปล่อยสังขารมันดับไปเพราะว่าการมีสังขารอยู่เป็นทุกข์พอสังขารมันดับไปใจไม่ทุกข์แล้วก็สบายไปฮะสบายแอะไป อย่าไปทกอย่าไปนั่นเลยลูกตาอย่าไปร้องไห้เลยไปดีกว่าถึงแม้ใจก็ไม่พ้นทุกข์แต่เขาก็ยังไปสวรรค์แต่ไปสวรรค์มันก็ได้ไปมีความสุขระดับหนึ่งคือแต่มันไม่ต้องทุกข์กับกายที่ทุกข์ทรมานแต่ร่างกายมันไปไม่ไหวแล้วมันหมดสภาพแล้วก็ต้องปล่อยมันไปแต่จะไปยื้อไว้เราร้องไห้แบบเนี้ยเราเป็นอย่างงี้แล้วหมอเขาบอกว่าเ้าจรีบโทรมาจะต้องปั๊มไหมปั๊มไหมหัวใจไหมต้องปั๊มไหมบอกไม่ต้องปั๊มเปล่าแล้วร่างกายหมดสภาพเลยไปปั๊มทําไมล่ะ อดีตปั้มก็เพราะว่าร่างกายมันมันมันมันอยู่อยู่มันหมดลมหายใจไปดูที่ร่างกายมันยังมันยังไม่หมดสภาพไอ้ที่มันร่างกายหมดสภาพปั้มขึ้นมาก็มาเลี้ยงพวกเจ้าชายนิตาพวกเจ้าหญิงนิตาอยู่ไปเลี้ยงอยู่ทําไมเงี้ยเพราร่างกายหมดสภาพอดีตปั้มมาคือร่างกายมันเนี้ยอยู่ๆมันน็อกไปเฉยๆเงี้ยหัวใจวายไปเฉยๆหรือไปอะไรเฉยๆแต่ร่างกายยังไม่หมดสภาพมันปั้มขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ใช้ต่อใช้งานต่อได้แต่นี่รบมันหมดสภาพแล้วจะปั้มขึ้นมาทําไมอ่ะก็ปล่อยให้ไป ปั้มขมาจะต้องมานอนเลี้ยงกันเหมือนเจ้าชายนิทาให้อาหารนกสายยางฟีดอาหารให้อะไรให้โอ้ยทรมานร่างกายสัมผัสเปล่าๆอย่างน้อยๆก็ใจเป็น้นทุกข์กไปสวรรค์ไปอยู่บนสวรรค์ก่อนร่างกายปล่อยมันแล้วมารอเกิดใหม่อแต่พน้นสวรรค์ไปก็ยังอาจไปไ ป, ไปตกนรกไปไเป็นสัตว์เดชานไปอาศุลกายได้อยู่ที่บุญกุศลตองนั้นจึงบอกว่าเราบบุคลารมาส่งเราที่นี่ปุ๊บ เราบอกรีบกลับไปอยู่กับพ่อเลยวันนี้เดี๋ยวพ่อสิทธแล้วแล้วให้ลูกทุกคนนะพุทธิอยู่เฝ้าไข้ผู้ใส่หูพ่อไว้ให้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้เปิดธรรมะให้ฟังก็ไม่ฟังบ้างอะไรไม่ฟังก็เปิดไว้งทั้งวันทั้งคืนยังไงก็เมื่อกี้มาเช้าก็มาหานั่งรถเข็นมาเรเปิดธรรมะให้ฟังทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยยังไงมันก็เข้าหูบ้างมันจะเหลือเข้าหูบ้างแล้วก็ให้พุทโธพุทโธพุทโธพุธพไไววว้้้รก็ตตตามนแล แก่งจับลูกส่วนลูกมีมีบุญวัสนธรรบารมีก็ปฏิบัติมาดีแล้วลูกก็แก่งอธิษฐานแก่งนวดให้นวดให้พ่อแม่เห็นลูกมานวดให้พ่อแม่ก็ชื่นใจแต่นวดไปก็แอบพุทธเพุทธพุทธเถรคอท่าทุกท่ากันุกขันต่อสารพลัหรือต่อสารพลังงานความว่างขอ ง, อของพ่อของแม่เนี่ยในกับคือสูขความเป็นปกติตามธรรมชาติสมดุลตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติตลอดเวลาให้พ้นจากทุกติพพ้นจากทุกติภพให้พ้นจากทุกกายทุกใจให้เด็กรู้ทำเห็นทำให้ใจให้ธรรมเนี่ยเข้าถึงใจของพ่อกััับบแม่ในนนปจจุี้้ดวยเอ แขงหนวดจนไปแล้วเรอธิษฐานซ้าๆที่เรามีบุญวัฒนาบารมีเราปฏิบัติมาดีแล้วอํานาจเรานเนี่ยมันจะไปคุ้มครองมันจะเข้าไปโดนบันดาลได้จะเข้าไปทําให้พระฐานขันมันมันสติมาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เบลอไม่เบลอเราบอกว่าสําคัญมากนะตอนนี้ลอยต่อจะปล่อยพอดับไปเฉยๆโดยที่สติมันเบลอเราก็ไปแล้วคอยพุทโธพุทโธแล้วก็อธิษฐานให้สติสมาธิปัญญามันเป็นปกติธรรมชาติเป็นปกติธรรมชาติตนดุลอัตโนมัติตลอดเวลาอานาจจิตเราเนี่ยจะเข้าไปทำให้สติเนี่ยมันไม่เบลอ ไปเบอรกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธใสหัวมันก็ตายไปขนาดที่สติมีด้วยความด้กับพุทโธพุทโธไปก็ไปดีอย่างน้อยมันก็ยังมีพุทโธติดจิตไปเวลาตายไปสวรรค์ก็ยังไปมีพุทโธอยู่ในจิตได้มันเป็นพอตายจากสวรรค์ไปก็ไม่เกิดไปเป็นอบายไปเป็นไตรชานเป็นสุรกายสันนลก็ทําความดีอย่างเงี้ยหนีอบายเรื่อยไปหนีไปนี่ไปจนถึงวุตถุบรรทันที่สุดแล้วไม่มีที่ไปก็วนเวียนอยู่สวยสุขอยู่กับสวรรค์มนุษย์สวรรค์มนุษย์ที่ตัว ไม่รู้จะไม่มีที่ไปแล้วพรมันสูงขึ้นไปเรื่อยพ้นทุกไปเรื่อยพ้นทุกไปเรื่อยสิ้นกิเลสไปเรื่อย ไ, ไ, ได้โสดาบันแล้วก็เลื่อนไปสกิตาคามีสกัตตาคามีเลื่อนไปเป็นนาคามีสุดท้ายสิ้นทุกสิ้นกิเลสเลื่อนไ ป, ไปเป็นลหาหันเลยโลกทั้งสามไม่มีที่รองรับให้ไปซะแล้วเพราะว่าโลกทั้งสามเป็นโลกแห่งความปรุงแต่งมันต้องปรุงแต่งบาปก็ไปนระกปรุงแต่งดีก็ไปสวรรค์ปรุงแต่งกึกงลา ง, ง, างๆมันก็ไปเป็นมนุษย์นั่น ดีก็ทําบาปกะทำดีก็ทําบาปกะทําอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายบาปมันทําน้อยกว่าดีมากมันก็เลยกลับมาเป็นมนุษย์ได้เพื่อจะมาแก้ตัวนันสามโลกเมื่อพนแล้วพนบาปพนกรรมพน้พนพ้นดีคนชั่วแล้วก็เลยไม่ไม่มีที่หลงรับของโลกทั้งสามก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปนั้นเนี่มันสิ้นอยู่ตัวเดียวปฏิบัติทั้งหมดเนี่ย สิ้นผู้จะเอาสิ้นกินเล่สิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ลองรับที่จะไปเอาอะไรไปเป็นอะไรไม่ใช่กรรมวิธีมาฆ่าตัวเราหมดมาปิดบังหมดกรรมวิธีในดๆในโลกทั้งหลายมาสร้างมาเพื่อมาเพื่อไม่ให้เห็นสังเกตคือมีผู้จะเอากกรรมวิธีทั้งหมดในโลกนี่ทุกวิธีสร้างมาเพื่อให้อายใจมันสงบพอจะสัเกตเห็นว่ามีผู้จะเอาอยู่จะมีผู้จะเอาผู้อยากจะได้ผู้อยากจะเป็นผู้อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเข้าใจอยากจะรู้แจ้งอยากจะพ้นทุกข์อยากจะพาณิพนธ์เนี่ย สังเกตเห็นไหมถ้าพวกเนี้ดับหมดผู้อยากผู้อยากอยากอยากหรือผู้จะเอาเนี่ยมันดับหมดกัมาลุบลุบอนิพานเลยอุตจ้าพระลานทั้งหลายสิ้นพรกนี้ทั้งหมดเลยสิ้นผู้จะเอาไม่ได้สิ้นอะไรเลยอย่างอื่นต้องมีหมดร่างกายจิตใจกาน้าก็ยังคงมีอยู่พอมีชีวิตอยู่ก็ยังมีอยู่แต่พระองค์และอหลานทั้งหลายสิ้นตัวเดียวสิ้นผู้จะเอาสิ้นผู้จะเอาสิ้นตัวเราผู้จะไปเอาอะไรก็ลุบลุบนิพาลไปแต่ชีวิตก็ยังมีอยู่ตามปกติ ร่างกายสังขารก็ยังคงมีอยู่ตามปกติกรรมวิธีทั้งหมดว่าไต่บิดดกคัมภีไม่ว่าจะไปเรียนพุทธวัฒนะไม่ว่าจะไปเรียนอะไรมาทั้งหมดมเพื่อมาเห็นผู้จะเอาแ ล, ล้วละผู้จะเอาได้หมดสิ้นดับไปเท่านี้นเองไม่มีใครผิดใครถูกแต่อะไรกะระทำดีเลิกประเสริฐเพียงใดแต่ที่ยังมีผู้จะเอาทําไปโดยมีผู้จะเอาเราไม่รู้ตัวไม่ไม่ไม่รู้ตัวยังมีอยู่เนี่ยผิดทางทั้งหมดเพราะทําไปเพื่อจะไปเอาผิดทางหมดเป็นกิเลสหมดไม่ใช่ทางพุทธเจ้าทางพุทธเจ้าเนี่ตำลาคมภี หรือทฤษฎีหรือว่าภาคปฏิบัติอะไรก็ตามมาเพื่อให้เห็นกิเลสในใจตนคือผู้จะเอายังอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะรู้ให้เห็นให้ได้ให้เป็นให้ถึงให้บรรลุปานิพานยังจะมีผู้จะเอาอยู่เนี่ยมันมีทางจะไปไหนได้มันเป็นกิเลสมันต่ำตกต่ําเดินทางตรงข้ามปานิพานจิตเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ยมันเป็นกิเลสตัณหามันเป็นทางตรงข้ามปานิพานธพ่ อ, อแม่ครูบาอาจารย์เราเราสอนไว้ว่าไว้ เราเดินทางเราอ่านใจเลยขาดเราเดินทางตรงข้ามทางพันิพานหรือเปล่าเพราะทางพัน <Yeah. S 1> <it 's S 2> ิพานมันสิ้นผู้เจ้เอาสิ้นกิเลสแต่เราเดินทางในผู้จะเอาเดินทางในกิเลสแล้วเราไปติดแต่ทฤษฎีติดแต่ตำลาติดแต่คําสอนนี่ไม่ใช่พระเจ้านี่ไม่ใช่นี่ใช่นี่เลยแต่เราเนี่ยมีผู้จะเอาเต็มตัวเลยแต่เราก็ไม่อ่านใจเราเองแต่เราเอาตัวเอาแต่คําสอนไปเราไปว่าคนนู้นว่าคนนี้หนักเลยบาปกรรมหนักเราเห็นเยอะมากเลยไปว่าผู้ที่เป็นอริยะบุคคลเป็นอริยะบุ เราจะส่งเข้าเป็นกรรมหนักปิดกั้นเลยตอนนี้เนี่ยเลยกรรมหนักเลยพวกที่รู้ว่ากตำรามากทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยตำราทั้งหมดเนี่ยมากมกายไก่กองเนี่ยมันเป็นลงที่นี่ยมันดูจิตใจคนตัวเองว่าอ่านใจตัวเองขาดว่าเราเราจะเราจ ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะมีกิเลส ต, ตัณกิเลสหนาะตัณหาจัดไหมยังจะจะเอารุดเอานี่เอานั่นเอา น, น, อา น, อานี่เอานี่ไหมเอามากก็ทุกมากเอาน้อยก็ทุกน้อยสิ้นผู้จะเอามันก็สิ้นทุกเนี่ยอย่างเนี้ย เราต้งดักอคอเมื่อกี้เดี๋ยวเตรียมจะไปทําให้มากจะมีสติให้มากจะปปฏิบัติให้มากจะไปเพื่ออะไรจะไปเอาโอ้ไม่ใช่แล้วอย่างนี้เราจะไปปฏิบัติเพื่อจะเอาจะเอาอะไรไม่จะไปอาิภพาเนะี่ยมันก็ไม่พ้นทุกเลยพุทธเจ้าตอนตัดสรู้ตัดสรูร้แหละทิ้งผู้จะเอาสุดท้ายพุ่จะเอื่นทิ้งก็หมดแล้วตําแหน่งกษัตริย์ก็ทิ้งมาเมียก็ทิ้งมาลูกก็ทิ้งมาเนี่ยนางพิมพาทีท่เป็นภรรยาก็ทิ้งมาเราหุ่นก็เป็นลูกก็ทิ้งมา ทิ้งตำแหน่งกษัตริย์ก็ทิ้งมาทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งทิ้งแม่แม่แม่ทิ้งไปแล้วเหลือแต่พ่อเจ้าสุดตัวธนาก็ทิ้งมาทิ้งทุกอย่างมาหมดเลยที่สุดร่างกายสังขารตัวเองก็ไม่วงไว้อดมาทิ้งมาแล้วก็อดอาหารอดน้ําอดกั้นลมหายใจแม้แต่สังขารร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่ไม่ห่วงสลบสลดยไปตั้งหลายครั้งทํายังไงก็ไม่บรรลุเป็นพระสารสมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจทําไมหนอมันทําไมมันทําไม ยังทุกเออมันมีไหมที่จะมันมันจะไม่ทุกเลยสิ้นทุกโดยถาวรมันมีไหมพวกผมก็ไม่รู้อย่างอื่นเนี่ยพวกผมทิ้งหมดแล้วแต่จะเอาอย่างเดียวจะเอาสิ้นทุกเลยถาวรคือพระนิพพานจะเอาจะเอ า, จะเอาตรงเนี้ยมันมีไหมในโลกเนี้ยที่สิ้นทุกโดยถาวรทําไมเนอมันอยู่ที่ไหนไอยู่ที่ใครเอาเขาบอกว่าไปอยู่ที่อาลาดาบดเป็นอาจารย์ที่เก่งเลยนะเก็ไปเรียนกับอาาดาบดโดยได้ฌานเจ็ดก็ มันก็ไม่ทุกเฉพาะในฌ า, านพอออกจากฌานมาก็ยังทุกอีกมันทำไมยังทุกอีกเล่าวทำไมยังทุกอีกเล่ามันมีไหมหนอที่มันจะไม่ทุกเลยมันจะไม่ทุกเลยเนี่ยมันจะเป็นทุกถาวรเพราะอะไรท่านจะไปเอาความไม่ทุกอย่างถาวรท่านก็ไม่เห็นพระ อ, องคาาก์ก็เห็นตัวนี้จะไปเรียนกับอุตกระดาบทอีกบอกว่าเหน oh, uh ือกว่าท่านมีไหมเหนือกว่า阿า达บท阿า达บทบอกนี้อุตกระดาบทไปเรียนกับอุตกดาบทได้ถึงฌานที่แปดจนสูงสุดแล้ว แต่มันก็มันก็ไม่ทุกเจ้าวอนในชานก็ออกจากชานมาทุกอีกโอ้ยทาไมเป็นอย่างนี้อ่ะมันมีไหมเนี่ยความไม่ทุกอย่างถาวรมันมีไหมจะเอาความไม่ทุกอย่างถาวรจะเอาตรงเนี้ยพราะวัดดีนลนอ่ะอุทกกดาษบทบอกว่าไม่มีแล้วแล้วพระเจ้าเลยถามว่าใครที่เก่งอวทุกกดาษบทมีไหมโอ้โหถ้าเรารู้ว่าใครเนี่ยเก่งกว่าเราเนี่ยใครรู้ว่าใคร มีใครเก่งกว่าเราเราไปไ ป, ไปฝากตัวไป็ลูกศิษย์โฆานาแล้วมันไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าใครเก่งกว่าเรามันไม่ไมีเนี่ผ <Yeah. S 1> นท้ายพระเจ้าไปเลยหมดอาจารย์ก็เลยไปดิ้นล้นอดอดข้าวอดน้ําจนสลบสลายไม่ฉันข้าวไม่ฉันน้ําแถมกั้นลมไายใจอีกหมดหนทางไม่รู้จะทำยังไง หมดทางไปทางมาวางเลยไม่เอาแล้วหมดหนทางที่จะไปเอาไอ้มันมีไหมอะความสิ้นทุกข์ยางถาวรจะไปเอาความทิ้นทุกข์ากยางถาวรทิ้นทุกข์ยางถาวรมันมีไหมหมดหนทางไปหมดหนทางมาอา น, นุนตัดไว้ในกิริมาณ น, นทสูตรเราส ถ, ถาคตบา ร, รมีเราสร้างมาเป็นถึงมีบา ร, รมีสร้างมาถึงพุทธเจ้า แต่หมดหนทางไปหนทางมาแม้แต่จะไปเอาเอาจะไปเอาหนทางพ้นทุกเนี่ยมีไหมความาไม่ทุกข์อย่างถาวรมันมีไหมมันมีไหมมีไหมมีไหมมีไหมเนียที่สุดจะยอมแพ้วางตูมลงวางตัวสุดท้ายลงคือวางผู้จะเอาพระนิพพานบรรลุอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าเลยสิ้นผู้จะเอา ไปดูในคริมานนทสูตรรือหนังพระเจ้ามหาสตราโลกตอนที่สาสิบีก็ได้พระองค์ตัดตอนที่ตันตัสจะรู้ว่าเมื่อความปรารถนาความสุขหมดไปความทุกข์ก็ดับไปพร้อมเพราะน้นเนี่ยดวงตาจึงดักนึงดักแต่ละคนว่าจะเอาอะไรเนี่ยไม่จะมีผู้เอ า, เอาไม่จะเอาอย่าตึกตองก็จะเอาอะลรอย่าวิคอวิคอยจะเอาอะไร อาจจะให้ขาอดพุทธเจ้าทามาหมดแล้วเรานี่ถ้ายังจะเอาอยู่เนี่ยขณะว่าเรามีสร้างเป็นพุทธเจ้าเนี่ยสี่สงไขยแสนมหากราบอะจะทำไม่ได้เลยเราเราจะไปเราจะเอาเราจะไปเอาได้หรอเนี่ยจะไปเอาอะไรเนี่ยพยายามจะให้ผลอยู่เนี่ยจะยังหายผลจะไปเอาอะไรถามก่อนหาเหตุผลถ้าผมเข้าใจกระจาญเดี๋ยวผมจะไปได้จบเพยเลยตอนนี้จะไปผมจะไปได้ได้อะไรเดี๋ยวบอกมารีบบอกว่าจะได้อะไรรีบบอกว่าอย่ากักไว้ เดี๋ผมจะไปได้นิพพานเดี๋ยวผมจะไปได้อะไรโอ้ยบุตรเจ้ายังต้องวางหมดแล้วเราจะไปได้อะไรวางหมดนะเนี่ยทั้งมันต้งไปกันเองเพราะวางหมดความวางหมดเนี่ยมันเป็นคู่กันกับนิพพานคือความวางหมดไม่มีผู้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันมีรูปแบบอะไรไม่มีในตําราอะไรเยอะๆอย่างเนี้ยมันไม่มีเราตําราทั้งหมดเนี่ยไม่เชื่อว่าไม่ดีดีแต่เราเนี่ยไม่เข้าใจเองการปฏิบัติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดีทั้งหมดแต่เราไม่เข้าใจเองคือ ท่านน่ะให้เราปฏิบัติให้เราอ่านนะเพื่อให้เราวางแต่เราอ่านมากรู้มากเราจะเอามากมันต่างส่วนทางกันตรงเนี้ยเรายิ่งรู้มากเราจะเอามากตำราทั้งหมดพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนะให้วางหมดเลยพุทธเจ้ายังบอกแม้แต่ว่านําทางมาว่าพระองค์ยังวางหมดเลยสุดท้ายแม้แต่ความสุขที่ทุกข์ไม่มียังวางเลยยอมแพ้หมดสู้ไม่ได้จะไปเอามันเอาไม่ได้จะเอาความสุขที่ทุกข์ไม่มีคือพัญญนิพัน์เนี่ย แล้วว่าองค์เนีจะไปเอามันเนี่ยว่า อ, องคก็ยัยอมแพ้เลยไปเอามันไม่ได้ยอมยอมยอมแพ้วางลงแค่นั้นเนี่ยท้งหมดเนี่ยวางวางลงนั่นแน่คือการปฏิบัติวางหมดนั่นแน่คือการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อจะไปเอาไม่ใช่ั้งนั้นเนล่ยไม่มาถามกรรมวิธีเรามันเป็นไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าอะไรก็ได้ท่านปฏิบัติไงก็ได้แล้วที่ท่านปล่อยวางได้ใช้ได้หมด แต่ถ้าด้านบัตรกับวิธีสวยหรูตำราสวยหรูแต่งมาแต่อ่านแล้วปฏิบัติแล้วโอ้โหกิเลสมากเพิ่มขึ้นทุกทีตัวเก่งมากขึ้นค่าเก่งมากกว่าใครเหนือมากกว่าใครรู้มากกว่าใครอันนั้นเนี่ยมันหลงทางเข้าป่าไปเรื่อยแล้วออกทะเลลึกแล้วดูตรงเนี้ยดูกิเลสในใจเราอะดูเราเนี่ยจะไปเอาอะไรปฏิบัติเราเนี่ยรู้มากเห็นมากหลายคนมาไม่ทิฏฐิแบกทิฏฐิมาหน้ามาเต็มเลย คขอคขอบคุณหลวงตาคา่ะรู้ยังเรากลับไปท ำ, ทำเป็นยังไงทำอะไรเข้าใจบอกเราสิก่อนวางไม้สุดท้ายอะไรคะก่อนวางไม้บอกว่าอะ <c oughs> ไรเรากลับไปเป็นยังไงคือคงใจตอนนี้โอ้หอ่างทําตัวตามธรรมชาติล่ะค่ะมีสติรู้อยู่กับตัวแล้วก็เูลีกยนใหม่อ่าค่ะก็ ทำตัวตามธรรมชาติไม่ไปฝืนใจบีบบังคับอะไรเกิดอะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตามนั้นมีสติรู้อยู่สิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับแล้วก็ไม่เอาอะไรมาเพิ่มเติมให้ตัวเองเท่านี้แล้วล่ะค่ะจะได้ แล้วรู้เห็นรู้แล้วหมดแล้วก็วางไปหมดค่ะขอบคุณหลวงตามากค่ะเอาเอาสมา้ต่อไปอ่ครัาหลวงตาเจ้าคะไม่มีคำถามอะคะ่ะก็ปฏิบัติจำม่เสมอที่บ้านนะคะ ไม่มีคำถามแต่ใจยังค้นหาก็ปฏิบัติทุกวันแต่ก็มีมีหลงมีรู้แต่ว่ามีสมาธิบ้างก็ค้นหาเพราะว่าอยู่กับยังอยู่กับโลกด้วยอะค่ะไม่โลกก็ทำงานไปตามปกติแต่ใจเท่าไหนนะั่นะที่แอบค้นหาแอบเสพความสบายนะนะั้นเนี่ย แอบเจ็บความสบายแอบค้นหาอยู่แอบดิ้นรนค้นหาค้นหาอะไรบทีค้นหาจะไปเอาอะไรกิเลสทั้งนั้นมาวางลงและที่ใจไปแอบเจ็บความสบายไว้เนี่ยมันจะมีตัวใจให้เป็นทุกข์ความสบายก็รู้อยู่ว่ามันสบายแต่ให้มาเห็นจิตที่มันพรุงแต่งยุกจิกจุกจิกแทนอย่าเอามันไป สนใจไปรู้อารมณ์ที่สบายไม่สบายย่าไปสนใจมันให้เห็นว่าในความสบายมีเราพูดไม่หยุดบนไม่หยุดคิดติดตองไม่หยุดให้เห็นว่าในความสบายขนาดไหนก็ตามมันมีตัวเราพูดไม่หยุดบนไม่หยุดคิดติดต่อไม่หยุดให้มาเห็นตัวนี้แทนอย่าไปเห็นความสบายใจกับความไม่สบายใจอย่าไปสนใจความสบายใจความไม่สบายใจอย่าไปสนใจแก้ความสบายใจความไม่สบายใจ มันมีความไม่สบายใจหรือสบายใจแต่ละครั้งให้สังเกตดูตลอดเวลาดูตัวเราที่บ่นไม่หยุดพูดไม่หยุดวิเคราะห์ไม่หยุดเวลาเมื่สบายใจมันก็พูดมันไม่สบายใจมันก็พูดมันก็วิเคราะห์วิจารวิจัยตลอดเวลาให้เห็นตัวเนี้ยตลอดเวลาแต่ไม่มีใครติดไปกลับมาเห็นมันเป็นตังการมุ้งแต่งไม่มีใครไปเฉลิมไม่มีใครไปรองรับมันแต่ถ้าเราเนี้ยไม่ไม่ไม่มารู้นตัวที่ตัวไอตัววิญญาณขันคือตัวเราตัวรู้สึกว่าตัวเราที่ไปรู้แล้วมันพูดอะไรวิเคราะห์อะไรไปรู้ความสบายใจไม่สบายใจนั้นมันพูดอะะไรรวิเคาห์อะไร ถ้าเราไม่เห็นตัวเราเนี่ยกลับไม่ย้อนกลับมาเห็นตัวเราที่พูดที่วิเคราะห์วิจารวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอาการที่สบายใจไม่สบายใจหรือไปวิเคราะห์วิจารคนอื่นเนีเราจะไปติดอยู่แต่อารมณ์แช่ที่สบายใจไม่สบายใจเพราะไม่สบายใจเราก็จะพลิกพลิกดูไปหาอารมณ์ที่สบายใจไอ้มาตาเกตเห็นจิตที่มันพูดได้บนได้วิเคราะห์ได้จนตลอดชีวิตของเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแต่เรามาเห็นว่าไอ้จิตที่มันอุดได้วิเคราะห์ได้บนได้ในในตัวเราในใจเราเนี่ยเราไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปเสอบเบย เ ร, เ, grit, rain, เราเป็นใจที่ไม่ปผงแต่งที่คิดไม่ได้นึกไม่ได้ตึกต่อไม่ได้เป็นความว่างเปล่าเหมือนจักรวาลมันจะเป็นความรู้สึกว่างแต่เป็นความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นตัวอาการก็มันก็เกิดเกิดดับในใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นใจมันก็รู้ว่าบัดนี้มันสิ้นความยึดมั่นถือมั่นทุกกริยาการที่เกิดขึ้นในใจทุกกริยาคือทุกคิดทุกอาการไม่ใช่ว่าเราไปรู้แต่ใจที่ว่างแล้วก็ ใจที่มันไม่ว่างใจที่มันโป่งร่บาสบายใจไม่โป่งร่องเบาสบายแล้วเราไปปรับปรับแต่งแแก้ไขใจที่ไม่โป่งร่บาสบายให้มันไปโป่งร่บาสบายอย่างนี้เราก็ติดเล่นเล่นงูกินหางเนี่ยมันติดอยู่เนี่ยไม่ไปไหนแล้วพายเรือในอ่างเราต้องพลิกหลุดออกมาจากไอ้ที่สบายใจไม่สบายใจมาเห็นเนี่ยตัวเราผู้ไปรู้ความสบายใจไม่สบายใจความสบายใจมารู้ตัวมันเองไม่ได้ความไม่สบายใจมันรู้ตัวมันเองไม่ได้ ตัวเรานี่ เ, เนี่ยเป็นคนไปรู้ความสบายใจไม่สบายใจเพราะคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราสบายใจไม่สบายใจแต่เราตัวเราเองเท่านั้นที่เรารู้ว่าเราสบายใจไม่สบายใจแต่ตัวเราเนี่ยที่รู้ความสบายใจไม่สบายใจมันพูดว่าอย่างไงมันคิดมันนึกมันตึกมันตองมันบ่นมันมวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยมันวิภาควิจารณ์งูงิงูงิงูงิงูงิงูงูงูงิงอาตานิดโลนอาตานิดโลนหักปักใสอาทางกุกักกุกักกุกักแม้แต่พอมีความสบายใจโปร่งโล่งเบาสบายใจว่างแจ่อะไรก็ตามเนี่ยตัวเรามันพูดว่าอย่างไงอะ เพราะคนอื่นไม่รู้หรอกว่าเราในโป่งโรคเบาสบายใจเราแช่คนอื่นไม่รู้แต่ใครรู้แหะก็เรารู้พอเรารู้เนี่ยเรารู้แล้วเราพูดว่ายัางไรในใจเราอะไอ้ตัวเราเนี่ยมันคนพูดมันเป็นคนวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยวิภาควิจารณ์ดิ้นรนผักใส่รู้ว่ามันแช่มันชอบมันตึกเป็นบนมันพูดว่าอะไรมันร้องเพลงได้เงี้ยเงี้ยงูเงี้ยงูเงี้ยงูเงี้ยงูเงี้ยงูเงี้ยงูเงี้ยงูเงี้ยงูเงี้ยงูเงี้ยงูเงี้ยงเงี้ยงูเง้องูเงี้ยงูเงี้ยงงใหม่แต่ถ้ยงูเงี้ยใจเนี่ย ไอ้ตัวนี้ที่มันพูดได้งุ้งงี้งุ้งงี้ยที่สุดมันก็ดับไปแต่ไอ้ความที่รู้ว่าเนี่ยไอ้งุ้งงี้งุ้งเงี่ยไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปลองรับมันลัะมันสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ลองรับไปแล้วไอ้ผู้รู้ตัวนี้ที่ว่าสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้รองรับแล้วเนี่ยไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไอ้งุ้งงี้งุ้งงี้มันจะเป็นง่าก็ปล่อยมันแต่เราได้แต่รู้มันไอ้ตัวที่ได้แต่รู้มันเนี่ยที่ไม่ไปเสวยมันไม่ไปรองรับมันไปยึดมันเนี่ยยไอ้นี่มตา เป็นอมตะเป็นอมตะธาตุเป็นอมตธรรมแต่ไอตัวที่มันงุ้งงิงๆุ้อะดับแต่ถ้าเราไม่เห็นไอตัวเนี้ยเราไปเป็นคนตัวงุ้งงิ้งงงิ้งงุ้งงิงตัวเองไปปรับไปแก้แต่อาการที่ถูกรู้อาการที่สบายใจอาการที่สบายใจที่ถูกรู้เราโมวแต่ไปยุ่งเป้าหมายไปไปดูที่อาการที่ถูกรู้แล้วไปปรับแต่งแก้อาการที่ถูกรู้พอโปร่งโล่งเบาสบายว่างๆชอบพออาการไม่โปร่งไม่ล่งไม่เบาสบายเราก็หุ่นหดที่ลนผักสายปรับแต่งแก้ไปหาอาการที่สบายใจหรือหลีกเรียกไปดูโน้นดูนี่ เพื่ออาการสบายใจอย่างเนี้ยมันไม่พ้นทุกมันเล่นงูกินหางแก้ไปแก้มามันวนไปวนมาเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเวทนาขันมันมีทั้งสุขเวทนาทุกเวทนาเดี๋ยวก็เป็นไม่รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็สลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเนี้เพราะว่ามันเป็นเวทนาขันมันเป็นธรรมชาติของขันหน้าที่ยังไม่ตายแต่เรามูไปเล่นแต่ขันหน้าเนี่ยเราจะไม่พ้นทุกเพราะเรายึดขันหน้าซะแล้วแม่ต่อให้เราเนี่ยไปแก้อาการที่ไม่ถูกใจเป็นอาการที่อยากไปฮักอารมณ์ที่ละเอียดได้ ตูตานก็ต้องกลับมาลมที่หยาบอีกก็ต้องสลับไปสลับมาแล้วก็แก้ดิ่งล่นค้นหาลิ่นหลนสลับไปสลับมาเพราะไม่สบายใจแก้ไปหาความสบายใจเพไม่สบายใจแก้ไปหาความสบายใจอย่างเงี้ยทาอย่างเงี้ยตลอดชีวิตตลอดพบชาติอนันตกรรมไนี่ไปยังไงล่ะเล่นงูกินหางแบบเนี้ยเพราะมันคือในตัวเดียวกันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกเราเล่นตรงเงี้ยเราจับหางูกระโดดหัวงูกัดมาจับจับตรงนี้กระโดดตรงนี้กัดจับตรงไหนกระโดเนี่ยเพราะเราเล่นไม่เลิกไอ้สบายใจก็ไม่สบายใจมาอยู่ที่หัวงูกับหางูตอนเราไม่ปล่อยงูต้องตัวเนี่ย เราโดนงูกัดตายทุกชาติไปโดนงูกัดตายทุกชาติไปแล้วเนี่ยวิธีเราจะหลุดจากอารมณ์หลุดออกจากอาการของใจได้เราต้องเข้าหาผู้รู้ผู้รู้ก็คือใครล่ะผู้รู้ก็คือเนี่ยถามว่าใครเป็นคนรู้อารมณ์รู้อาการเหล่าเนี้คนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีอารมณ์อย่างนี้มีอารมณ์โปง่งโล่งเบาสบายว้างๆมีอาการแช่แช่มีอาการแน่นัดทึบไม่โปง่งไม่โลง่งไม่เบาสบายเนี่ยคนอื่นก็ไม่รู้ ถามว่าใครใครรู้หล่าเรารู้นี่เนี่ยดูตรงเรารู้เนี่ยไอเรารู้เนี่ยเราจะพูดได้บ่นได้วิเคราะห์วิจารณวิจัยวิปลาวิจารณดิ้นรนผักใสงุกิดเนี่ยเวลาสบายใจมันก็พูดได้มันก็จะร้องเพลงได้ไอตัวเนี้ยคือตัวสังขารคุ้งแต่งที่ตัวร้ายเราเห็นตัวเนี้ยเพื่อปล่อยวางตัวนี้แต่เราไม่ใช่ไปปล่อยวางอาการที่ถูกรู้นะมาปล่อยวางไอตัวที่รู้ที่มันพูดได้บ่นได้วิเคราะห์วิจารวิจัยได้คือตัวเราเนี่ยถ้าเราปล่อยวางตัวนี้ได้มันก็จะพ้นจากทุกได้คือพ้นจากตัวเราหลุดพ้นจากตัวเราไอ แต่ตัวที่มาสิ้นผู้เสวยตัวเราไม่ดับไอ้ตัวเนี้ยเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมแล้วต้องมาเห็นตัวนี้แทนมารู้อะไรก็ตามต้องหัต้องรู้ที่ผู้รู้คือตัวเราผู้รู้ใครเราเป็นคนไปเห็นรูปก็ตัวเราเป็นคนเห็นรูปแล้วตัวเราพูดว่ายงิเคราะห์วิจารย์ยังไงใครเป็นคนไปรู้เสียงเราก็ตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้เสียงตัวเราวิเคราะห์วิจารย์ยังไงเมื่อเรารู้เสียงมาดูตรงตัวผู้รู้ใครเป็นคนรู้กีนเราตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้กีนแล้วตัวเราพูดวิเคราะห์วิจารวิจัยยังไงใครเป็นคนรู้ลดเรา แตตัวเราเป็นคนรู้รถตัวเรารู้รถเราเราทุกข์มีข้อวิจารณ์วิจัยอย่างไงใครเป็นคนรู้อาการของใจล่ะรู้ถึงที่สัมผัสกายรู้อาการของใจล่ะแต่เราเป็นคนรู้ใจเราโป่งโล่งเบาสบายว่างใจเราไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาสบายไม่ว่างมันแน่นอึดอัดมันทึบมันงุนกิดลำคายมันว้าวว้าววใจเราอ่ะใครเป็นคนรู้ว่าใจเราเนี่ยมันมีอาการแบบนั้นใครมันรู้ว่าใจเรามีอาการเหมือนคนเป็นโรคไวยทองใครเป็นคนรู้ลราก็เราเป็นคนรู้เราจะไปสนใจไล่ดับอาการที่เหมือนคนเป็นโรคไวยทอง ที่พยานจะเป็นอย่างงี้แก้ไขเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ดูตรงตัวเราเป็นคนรู้ดูตรงตัวเราเป็นคนรู้ตลอดเวลาเลยสังเกตอยู่ตรงนั้นสังเกตอย่างนั้นสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจปล่อยวางตัวเราที่เป็นคนรู้เนี่ยมันพูดว่ า, าอะไรวิเคราะห์วิจารวิจัยไม่ว่ารู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้อาการของใจไม่ว่าอาการจะว่างโงลง่งโปร่งเบาสบายยังไงมันก็พูดไอตัวเราผู้รู้เนี่ยมันไม่หยุดหรอกเราเนี่ยขอให้ยืนพื้นตรงนี้ ปกติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจปล่อยวางอะไรก็ปล่อยวางในตัวเราเนี่ยที่ไปรู้แล้วมันงิงงุ้งยิงงุทั้งวันทั้งคืนไม่มีดับด้วยก่าเราจะตายนะอย่าคิดจะไปดับมันได้บางทีมันก็เหมือนเป็นโรคไวทองอนตัวงุงยิงเอ่ยเราก็ไม่รู้จะพูดคําว่าไงมันว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้งผู้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าเฉ้าวว้าวว้โดยหาวเหตุไม่ได้แต่มันช่าวว้าวว้าวว้าวว้าเวว้า สัตว์มัรู้มันแล้วจะไปลองรับมันจะไปะเสวยมันจะไปพยายามแก้ปรับแต่งมันปล่อยมันไอ้พวกที่แปดมังกรมันล่อลวงเราหลอกเราเราต้องเหมือนกับว่าทหารไปออกรบแล้วก็อยู่ในหลุมหลบภัยที่ตบายที่ที่มันว่างเปล่าที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างคือใจแล้วไอ้ตัวที่มีอาการเหมือนข้าศึกมันมาหลอกล่อเราให้เราเนี่ยออกไปไล่ไ ล, ไล่ไล่ตามข้าศึกเราออกไปโดนยิงตายเราต้องเนี่ยอยู่ในกระใจของเรา เราจะออกไปอยู่กระใจอะไรก็อยู่กระใจผู้รู้อะสิ้นเสบยสิ้นผู้ยึดบ้านถือบ้านหลอกลวงอย่างไรข้าไม่ออกไปถึงจะหลอกไงข้าก็ไม่ออกไปไออาการของจิตมันจะเว่อว่เว่อว่เหมือนคนเป็นโรคใบทองมันมาหลอกต้มมันเหมือนไอข้าเสกแต่งตัวเป็นผู้หญิงสวยๆออกมาล่อให้ให้ออกจากหลุมหลบภัยไปหาอมีผู้หญิงสวยออกมาเหรอเนี่ยในที่สนามลบออกไปโดนฆ่าตายเลยไม่ออกไปทางนั้นเนี่ยมันจะเว่อว่ว่ามันก็ไม่ออกไปอยู่ในหลุมหลบภัยคือใจของตัวเองที่มีแต่มีแต่ผู้รู้มีแต่รู้มีแต่รู้สั่งแต่ว่ารู้ อันนั้นแหละอาการของใจทุกหมดเนี่ยเหมือนข้าศึกที่มาหลอกลวงให้ออกไปจากหนุ่มหลบภัยออกไปตายอย่างเดียวที่พ่อทหารทั้งหลายอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้กับใจของตัวเองเนี่ยที่รู้รู้แล้วไม่เข้าไปยึดอะไรรู้แล้วเข้าไปเป็สวยอะไรรู้แล้วเข้าไปยึดมันจะมาหร้วรู้แล้วไม่มีอาการไม่ปรุงแต่งคือตัวมันเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้ไปใช่ว่าไปตัวเราเนี่ยพยายามรู้แล้วทําให้ตัวเราเฉยเฉยตัวเราไม่ปรุงแต่งนะแต่ใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ มันเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ตึกตองไม่ได้มีกิริยาการไม่ได้เพราะมันเป็นอสังขตธาตุเป็นวิสังขารวิแปลว่าไม่สังขารแปลว่าปรุงแต่งวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งเป็นอสังขตธาตุเออคือสังขารเนี่ยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งอสังขารธาตุคือเป็นธาตุที่ไม่ปรุงแต่งไม่มีใครปรุงแต่งมันได้ตัวมันก็ปรุงแต่งเป็นเป็นพยายามเปพยายามจะจ้องจะมองจะดูจะรู้จะเห็นจะทำาวาอเข้าใจ ตะคิดจะนึกจะตึงจะตอไอ้ผู้รู้เนี่ยมันทำไม่ได้ทั้งหมดไอ้ธานรู้เนี่ยไอ้ใจเนี่ยมันทำไม่รู้มันทำไม่ได้เพราะมันแสดงอึกอักแสดงกิริยาการไม่ได้แต่ไอ้อาการของมันเนี่ยที่อึกอักจุกจักในใจอะไรทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเป็นสังขารผู้แต่งทั้งหมดปล่อยวางมันไปหมดเหมือนกับว่าข้าศึกอะที่มาล่อลวงหมดในทุกอาการเนี่ยล่อลวงให้เราออกจากหลุมหลบภัยคือใจที่เป็นผู้รู้ไอ้ใจที่หลุมหลบภัยเนี่ยคือมันไม่มีกิริยาการใดๆแต่ข้าศึกที่มา ล่อลวงเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ทุกกิจการที่เคลื่อนไหวได้ ก, ก, ก, ก, ก, ก็กระก็จักได้เป็นสังขารพุ่งแต่งหมดแต่ใจเท่านั้นเนี่ยที่เป็นวิสังขารเป็นอสังขตรธาตุเป็นสุญญตาธาตุเป็นควา ม, ว, ามว่างเป็นมห า, มห า, มห า, มหาสุญญตาดุจจักรวาลเดิมเพราะนั้นไอ้ฟุลไอ้ตัวมันเนี่ยแต่รู้ว่าตัวมันสิ้นปูตเสวยอาการทั้งหมดไม่ใช่ว่ามันไปคอยดูอาการนะแต่มันรู้ว่าอาการทั้งหมดเ่ยไม่มีใครไปเสวยและอาการทั้งหมดหลอกลวงมันไม่ได้มันเหมือนกับว่ามันเป็น นักลบที่ชานฉลาดเมื่ออยู่ในหลุมหลบภัยก็เห็นมันหลอกลวงไงนี่หลอกลวงทั้งนั้นเป็นมายาหลอกลวงคาศึกมาหลอกลวงให้ออกจากหลุมหลบภัยไปไม่ว่าจะเป็นอาการใดๆที่โผล่มาลักษณะใดก็ตามไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจไม่หลงออกจากหลุมหลบภัยไปหาเขาคําว่าอยู่ในหลุมหลบภัยไม่ใช่ว่ามีตัวเราอยู่ในหลุมหลบภัยใจเราเนี่ยเป็นหลุมหลบภัยที่ว่างเปล่าไม่มีตัวตนหรอกปรากฏว่าในหลุมหลบภัยไม่มีใครเลยไม่มีตัวเราด้วยมีแต่ใจดันั้น ไอ้พวกข้าศึกมาหลอกอยังไงก็แล้ไม่มีใครออกจากหลุมหลบภัยไปเพราะไม่มีไม่มีใครอยู่ในตัวเราอยู่ในหลุมหลบภัยเพราะหลุมหลบภัยมีแต่ความว่างเปล่าเหมือนคาศึกไม่รู้เรื่องก็ได้แต่มาเต้นเต้นเตเต้นหลอกไปดีบ้างชั่วมัง่งหลอกดีช่างหรือว่าแต่หลุมหลบภัยมันมีแต่ความว่างเปล่าเลยไม่มีใครออกไปเรื่องเนีพอาตายแล้วเหลือแต่หลุมหลบภัยที่ว่างเปล่าคือธาตุรู้หรืออมตะธาตุาหรือธรรมธาตุหรือพุทธะเข้าใจไหมอย่างเนี้ย จ เ, จเข้าใจเจ้าค่ะเราสมัยตอบไปได้เข้าใจจะาถามเรื่องไหมเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> ้าใจใดอยู่ในขั้นตึกตองอยู่อืมจนที่มาเข้าใจแต่เอาตัวเราไปตึกตองนะเข้าใจอย่างนึงแต่ทําอีกอย่างนี่เอาตัวเราเป็นคนตึกตองอยู่นี่ไอตัวเราที่ตึกตองเนี่ยเป็นตัวข้าศึกนะที่มาหลอกลวง แต่เน thing, ี่ยเราหลงว่าตัวเราเป็นตัวตึกตอจริงๆนะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวขอตึกตองกันตึกตองเดี๋ยวตึกตองกันแต่ไอตัวที <t <t <t <t right ่ตึกตองเนี่ยเป็นฆาตศึกเนะเป็นตัวที่มาหลอกลวงเนี่ยมาหลอกลวงหลุมหลอภัยเั้นถ้าเอาเอาตัวตึกตองเนี่ยเรากลายเป็นฆาตศึกเรายิงตายเราไปเห็นไใ้ตัวเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจแเดี๋ยวขอตึกตองกันไอตัวที่นั่งตึกตองเนี่ยไอตัวเนี้ยเป็นตัวปรุงแต่งตัวฆาตศึกเป็นตัวปรุงแต่งด้วยใช่ใช่ อย่างนี้ทุกคิดทุกอาการที่มันปรุงนี่มันปรุงตลอดเวลาที่หนูเห็นนี่ก็วางให้หมดเอ<า>้วก็ให้รู้เป็นผักใสเป็นไปทิ้งมันไปไปไ ป, ไปทําลายมันนะคือไม่มีใครไปรองรับ ม, ม, ม, รมันไม่มีใครไปเสวยมันไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นมันเราอาจจะเห็นตัวปรุงแต่งเงี้ยบางทีก็อาจจะว่าไปติดตัวสบายไว้ว่าคือคือมันปรุงมันอะไรแล้วเราก็เห็นแล้วก็ เฉยๆอะค่ะอืมผิดแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผิดผิดผิดผิดผิดผิดเราไปเห็นเราเราเฉยๆผิดนะผิดผิดผิดผิดไอ้ที่เฉยๆเนี่ยคือไอ้นี่ยผิดเลยผิดเลหลายคนชอบทํานิดเลยบอกว่าไม่ให้ขานตรงเนี้ยเอยเราไปเห็นมันเลยเฉยๆเฉยๆไม่ใช่ไอ้เฉยๆเลยผิดนะผิดนะไม่เฉยๆเพราะถ้ามันเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไปเห็นแล้วใจเรามันเฉยๆไปไม่ถูก บางคนก็แจ้งว่าตรงนี้กินนิพพานรู้เฉยเยรู้เฉยเฉยรู้อะไรก็เฉยเยเฉยเยตาแข็งเลยตุลาถ้าเข้าเข้าโรงพยาบาลไอ้นี่ยไปจับเฉยเฉยไปไงไม่ใช่นะวิธีแก้คือไอ้จางมันรู้อะไรแล้วมันเฉยเฉยอ่ารู้อะไรก็มันก็เฉยเยเราสังเกตได้ดีนะวิธีแก้คือไอ้เฉยเฉยเนี่ยมันรู้ตัวมันเองไม่ได้เราต้องถามใจเราเองเลย เฉยๆเนี่ยมันรู้ตัวเองไม่ได้คนอื่นเนี่ยรู้ไหมว่าเราเนี่ยเฉยๆไม่รู้ใครเป็นคนรู้ว่าเราเฉยๆเออตัวเราเนี point, น่ยเป็นคนรู้ว่าตัวเราเนี่ยรู้อะไรแล้วมันเฉยๆรู้เรามันเฉยๆแต่เราอย่าหยุดแค่นั้นนะเราต้องถามตัวเองว่าคนอื่นไม่รู้เราว่าเรารู้อะไรเราเห็นอะไรเราใจเราเฉยๆเห็นอะไเราเฉยๆคนหลายคนเมื่อกี้ตรงนี้นิพพานเนี่ยคนนี้ติดเยอะมากเลยเกือบครึ่งเกินครึ่งมาเราตาแข็งแล้วกระทู้นี้จิตวิทยาต้องส่งไปโรงพยาบาลจิตเวช พวกเนี้ยวิธีแก้คือพอรู้อะไรแล้วใจเฉยเฉ่ะคนอื่นก็ไม่รู้ว่าใจเราเฉยถามว่าใครเป็นคนรู้ว่าเรารู้อะไรแล้วใจเราเฉยรู้อะไรแล้วใจเราเฉยว่าหนูก็บอกอลไรกัว่าตัวหนูที่เป็นคนรู้อ่ะตัวเราเป็นคนรู้วเนี่ยเราเห็นอะไรได้ยินอะไรแล้วใจเราเฉยมากเลยแต่ตัวเราเนี่ยมันไม่เฉยหรอกมันก็ตึกตองว่าไงเอ่มันเฉยอย่างนี้ทำไมจ่าก็ไม่ดีมันก็พูดแหะมันก็พูดอย่างเงี้ยผมพูดมันพูดอย่างเงี้นะ พอเราเฉยมันก็พูดเอ๊ะก็มันเฉยเงี้ยอาจารย์ทำไมว่าไม่ดีก็มันดีอยู่แล้วมันเฉยเอ้าเขาก็บอกว่าให้รู้อะไรรู้เฉยเฉยสักแต่ว่ารู้รู้เป็นอุเบกขาครมันก็เฉยเฉยเงี้ยแล้วอาจารย์มันทำไมมันมันไม่ดีเอ๊ะแล้ไม่ดียังไงเฉยเ่เงี้ยมันก็เถียงอยูในใจิ่งยิงยิ่ไหนล่ะเฉยมันมีคนพูดอยู่ก็คือตัวเราพูดอยู่เนี่ยเราก็เห็นได้ตัวที่พูดจะไปเห็นอาการที่เฉยเห็นให้จริจรเรามันพูดอยู่วิเคราะห์อย เห็นในตัวเราเนี่ยมันพูดไม่หยุดอย่างเงี้ยพอเราเห็นพูดต่อไปเราจะเห็นตลอดเลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยต่อให้มัเฉยขนาดไหนตัวเราก็พูดไม่หยุดในวัเนี้มันพูดตลอดมันพูดไม่หยุดพูดอยู่คนเดียวไม่หยุดเลยตลอดเนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยแหละอันนี้จะพ้ทุกอะไรละเพราะอะไรพอเราเห็นว่าตัวเราพูดไม่หยุดปุ๊บเราก็ปล่อยมันไปปล่อยคนพูดไม่ยู่ปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยไปอย่าไปทําใจเฉยอีกถ้าเราเนี่ยเปรียดในตัวพูดไม่หยุดเราไปทําใจเฉยอีกเราก็ต้องอยนี่เขาบอกอีกว่าใครมารู้ว่าเราเฉย เพราะอันนั้ถ้ามีอาการทั้งหมดได้ที่ถูกรู้ได้ที่เราบอกได้ต้องถามว่าใครมารู้อาการนี้อาการทุกอันเนี่ยถ้ามันเกิดมีอาการเกิดขึ้นมาแม้แต่อาการเฉยต้องเข้าหาผู้รู้เลยว่าใครเป็นคนมารู้ว่าเราเฉยคนอื่นรู้ไหมว่าเราเฉยต้องถามคําถามเนี้เป็นหลักมาตรฐานเลยว่าคนอื่นรู้ไหมว่าเราเฉยไม่รู้ว่าใครรู้ก็เรารู้เรารู้เรารู้ก็รู้อีกเราก็ไปรู้ที่ผู้รู้อีกที่เรารู้ว่าเราเฉยมันก็พูดอีกไม่หยุดในตัวนี้ พอเราไปดูว่าเราพูดไปหยุดมันก็เฉยอีกพอเฉยอีกก็ไปหยุดแค่เนี้ยอย่าไปพอใจแค่เฉยเด็ดขาดเลยต้องทุกอันเนี้ยต้องก็หาผู้รู้ตลอดจนตลอดชีวิตอย่างนี้แหละแต่ไม่มีใครไปยึดถือไอตัวเราพูดไปรู้ที่มันพูดไปหยุดตลอดชีวิตผู้รู้เนี่ยมันไปรู้อะไรมันพูดไปหยุดตลอดชีวิตเพราะมันเป็นวิญญาณขันในขันห้าผู้รู้เนี่ยเราดับไม่ได้จักว่าเราจะตายวิญญาณขันนึงจะดับแล้ววิญญาณขันในขันห้าเนี่ยมันรู้อะไรปุ๊บมันจะต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารคือ ส่งต่อถูกสิ่งที่ไปรู้ถูกใจไม่ถูกใจหรือว่าไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจนี่คือเวทนาแล้วมันเป็นสัญญาจําได้ไปรู้นี่อะไรเป็นอะไรแล้วส่งต่อสังขารคือความคิดมันติดตอมปรุงแต่งวิาพากวิจารณ์พูดได้อยู่ในใจ <kanske> ใ น, นั้นวิญญาณนักขันเนี่ยไปรู้อะไรมันจะต้องถูกใจไม่ถูกใจแล้วมันจะต้องพูดได้บนได้วิเคราะห์วิจารณวิจัยได้ตรงวิาพากตลอดเวลาไอ้ทุนนี้ดับไม่ได้เพราะวิญญาณนักขัดับมันไม่ได้เพราะวิญญาณนักขัเนี่ยมันต้องทํางานพร้อมกับไอ้เจตสิกคือเวทนาสัญญาสังข จิตหรือวิญญาณาขลักฐานเนี่ยมันเกิดพร้อมเจตสิกดับพร้อมเจตสิกเพราะในเจตสิกเวลาสัญญาหลักฐานเนี่ยมันเกิดพร้อมกันเพราไอ้จิตหรือวิญญาณเนี่ยพอมไม่รู้ปุ๊บมันจะต้องจะต้องถูกใจไม่ถูกใจคิดถึงตอนปรุงแต่งได้พูดได้หรือพูดไม่ได้ตลอดเวลาก็รู้ก็เห็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นพอเรารู้ว่าดับไม่ได้ดับไม่ได้ก็ต่องปลมพูดอยู่นั่นแหละจนกว่าจะตายขันหน้าถึงดับมาถึงเราพูดแล้วก็อม่ามีอย่าไม่มีใครไปรองรับมันไม่มีใครไปสวยมันโอเคนั้น มันก <Vander> ็ไม่ไม่มีใครทุกข์ไปรองรับมันไปสวยมันไปยึดมันเข้าก็เลยทุกข์หรือวิญญาณมันดับเข้าก็เลยทุกข์ตายเพราะว่าดับมันไม่ได้น้ำเป็นวิญญาณขานต้องมันเป็นชีวิตต้องมีอยู่แต่รอจนกว่าจะตายมันจะดับไปแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตัวนี้เราเอาตัวเราไปพูดจอยจอยจอยจอยอไปคิดไปติดตองอยจยจอยเนี่ยตายแล้วเราก็ต้องไปกระเด็นหลุดไปเป็นตัวคนคิดคนพูดต่อแต่ถ้าเราเป็นคนรู้ซะไม่เข้าไปสวยมันไม่เข้าไปยึดมันพอตายแล้ว้ตัวที่ พูดใจๆๆที่มันคิดติดตองในใจตลอดเวลาเนี่ยมันก็ดับไปเพราะไม่มีใครปเป็นเสวยไปยึดมันไอ้ผู้ที่รู้ตัวว่าสินสส้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดไอ้ตัวที่พูดใ จ, จ, จอยไอ้ตัวนี้ไม่ดับเปนาา็นอรรมะแสดงว่าหนูจับผิดตัวด้วยใช่ไหมคะอืมใช่ใช่จับผิดตัวเราไปไปเอาตัวเฉยไปเอาตัวรู้แล้วเฉยอันนี้ผิดผิดผิดผิ ด, ผดหลายคนปฏิบัติผิดอย่างเนี้ยเยอะแยะมากมายเกือบร้อยเอร์ซนต ใช้ได้แล้ว